ไปรับคำท้าพระเจ้าแต่รับคําท้าพระเจ้าเลยนะพระเจ้าท้าอย่างที่เราที่เขาลาดน้ําแข็งเนี่ยเขาท้าภายในวันหนึ่งใช่ไหมพระเจ้าท้าเนี่ยภายในชาตินี้ให้เวลานะภายในชาตินี้ให้มาดูทำเห็นทำให้ได้เอหิปัสิโกจงมาดูเถิดเห็นทำให้ได้ สำคัญนะคของท่านนี่เป๊ะๆนะเอหิป e ัสสิโกจงมาดูไม่ใช่ไปเพ่งไม่ใช่ไปดัดแปลงไม่ใช่ไปกดเอาไว้ไม่ใช่ไปปรับแต่งอะไรไปดูเอหิป e ัสสิโกคือมาดูดูเฉยๆมีอะไรเกิดขึ้นในใจดูไปมีอะไรเกิดขึ้นกับกายดูไปดูขั้นแรก ดูเพื่อเตรียมจิตให้พร้อมที่จะเดินปัญญาดูแบบจิตตสิกขาดูว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับใจบ้างมีอะไรเกิดขึ้นกับใจดูจริงๆสิ่งที่เกิดขึ้นกับใจมีราคะมีโทสะมีโมหะฟุ้งซ่านหดหูมีความสุขมีความทุกข์เกิดขึ้นกับใจดูไปจริงๆเวลาดูกายดูไปตรงๆเห็นกายนั่งอยู่ใครดูใครถนัดดูท้องพองยุบ เห็นกายพองยุบเห็นกายกระเพื่อมไม่ใช่เพ่งไปเฉพาะที่ท้องใครถนัดดูลมหายใจเห็นกายนี้หายใจไม่ใช่เพ่งลมไม่ใช่เพ่งตัวลมเห็นกายนี้กําลังหายใจใครถนัดพุดโทโธก็เห็นใจอยู่กับคําว่าพุโทโธแล้วเลื่อนไหลออกไปคนที่ภาวนาพุโทโธ น, น, นะครับพุโทโธพุโทโธพุทโธเดี๋ยวลืมไอ้ตอนลืมคือจิตมันมีการเคลื่อนถ้าเห็นตอนเคลื่อนได้ตอนนั้นเรียกว่าเห็นจิตที่ไม่ตั้งมัน่น เห็นความไม่ตั้งมั่นได้ความตั้งมั่นพอดีใครดูตรงนี้ดูลมเพ่งอยู่ตรงนี้นะและมันเคลื่อนไปถ้าเห็นความเคลื่อนได้ก็ดีถ้าไม่เห็นให้มาดูกายน้หายใจถ้าเพ่งอยู่จุดจุดเดียวนะถ้าเพ่งได้ได้ผลขึ้นมาเนี่ยนะมันจะมีน้ำหนักมีการบังคับมีการบังคับใจให้มาอยู่ที่ใดที่หนึ่งเนะี่ยไอการบังคับเนี่ยนะถ้าทำได้มันจะไดอารัมมนูปนิชาน เพ่งที่อารมณ์ถ้าทำไม่ได้ก็อยู่บ้างฟุ้งบ้างอยู่อยู่บ้างฟุ้งบ้างแล้วก็หงุดหงิดคนที่ฝึกแล้วรู้สึกว่าทำไมได้สักทีทำไมถึงเป็นอย่างนี้แล้วหงุดหงิดทำสมาธิแล้วหงุดหงิดเนี่ยนะก็คือตั้งเป้าหมายไปผิดคิดว่าทำแล้วจะต้องได้สุขได้สงบแล้วก็ได้จิตดีๆแต่สุขเป็นความปรุงแต่งเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไป เปลี่ย น, ปยนแปลงสุขบ้างทุกบ้างสงบก็เป็นความปรุงแต่งอันหนึง่งสงบบ้างฟุ้งซ่านบ้างจิตที่ดีก็เป็นความปรุงแต่งอันนึงเป็นธรรมะอันหนึง่งดีบ้างเลวบ้างชั่วบ้างเพราะนั้นถ้ามุ่งเอาสงบดีหรือว่าอะไรอะเมื่อกี้อะไรมีสุข3อย่างเนี่ยเอาสามอย่างนี้เป็นเป้าหมายนะ เท่ากับว่าเราเอาสิ่งที่ไม่เที่ยงมาเป็นเป้าหมายแล้วพอได้สิ่งนั้นมันแสดงความไม่เที่ยงแล้วเราก็ไม่ยอมรับเพราะเราจะเอาสิ่งนั้นให้เที่ยงให้ได้ฝืนกระแสของธรรมชาติธรรมชาติมีธรรมดาอย่างหนึ่งว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแต่เราไปฝืนกระแสต ร, ตรงที่ว่าอยากให้จิตนี้ดีอยากให้จิตนี้สงบอยากให้จิตนี้เป็นสุขตลอดกาลนานเทินประมาณนี้นะ และมันไม่ได้พอไม่ได้แล้วมันแสดงความจริงอยู่แล้วยอมไม่ยอมรับพอไม่ยอมรับความจริงที่เห็นอยู่ไม่ยอมรับก็เท่ากับว่าปฏิเสธความจริงใจก็ปฏิเสธความจริงอยู่เรื่อยๆความจริงแสดงอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่ยอมรับไม่ยอมรับเท่ากับว่ามันไม่เห็นความจริงมันก็ไม่ไปไหนสักทีพยายามบีบบังคับใจตัวเองให้นิ่งแล้วพอหมดแรงบีบคลายมาจิตก็ฟุ้งซ่านต่อ พยายามประคองตอนนี้ดีละพยายามประคองไว้ให้ดีตลอดจงดีนี้ต่อไปเรื่อยๆนานๆนานๆาๆๆไปแล้วไม่ได้ตั้งเป้าหมายผิดเป้าหมายของการเจริญภาวนาของเราคือเข้ามารู้ความจริงมันแสดงความจริงให้เห็นแล้วว่ามันไม่เที่ยงให้รู้ไปเลยแสดงความจริงเห็นว่ามันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันอยู่นิ่งไม่ได้คือแสดงทุกลักษณะขณะนั้นมันแสดงความจริงลรู้ไปตรงๆรับคาท้าพุทธเจ้าไปเลยว่า ขอดูพระเจ้าท like ้าบอกว่าจงมาดูเถิดต no э. no no so anyway. ้องรีบดูด้วยมีเวลาดูแค่ชีวิตนี้หมดจากชีวิตนี้แล้วตายไปแล้วนะหมดเทรนดและวหมดเทรนแล้วนะคือชาบหน้าเราจะไปเกิดเป็นอะไรก็ไม่รู้เกิดที่ไหนยังไม่รู้เลยบุญดีเป็นคนเป็นคนที่ไหนยังไม่รู้เลยใช่ไหมไปเกิดแถวเซียรราเลโอน รู้จักไหม <laughs> ไปแอฟริกาตะวันตกเนี่ยไปไหนไม่ได้แล้วในถูกกักตัวแล้วอีโบลาใช่ไหมได้ข่าวว่ามาเมืองไทยแล้วใช่ไหมจะเป็นข่าวลวงนะกลายเป็นอีโบลาใช่ไหมรู้จักปะคนอีสานจะเรียกอีโบลาดังนั้นพระเจ้าทาเอาไว้แล้วนะไอ้เทรนลาดน้ำแข็งเนี่ยอยู่อีกไม่นานหรอก ใครอยากจะล่าก็ลาล่ า, ลาซะรีบล่าซะไม่มีใครท้าท้าตัวเองไป <laughs> ถ่ายคลิปแล้วก็ท้าคนอื่นต่อไปเดี๋ยวจะหมดสมัยแล้วแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ควรรีบทำก่อนที่จะหมดเวลาที่พระพุทธเจ้าท้าเอาไว้คือจงมาดูจงมาดูสิ่งที่เป็นความจริงแท้เราเนี่ยไปดูกับสิ่งที่เป็นสมมติเห็นคนนู้นพูดดีก็เป็นสมมติ เห็นคนน้น <autre> พ <Shiva> uh ูดไม่ด yup ีก็เป็นสมมติเห็นเขาลาดน้ำแข็งนั่นก็สมมุต hmm. <avía S 2> ินะไอ้ทำอย่างนั้นก็เป็นเรื่องสมมุติเห็นแล้วดีใจสะใจเห็นแล้วขมเห็นคนอื่นเจ็บตัวแล้วขมเห็นคนอื่นเขาตัวสั่นแล้วขมรู้ทันความดีใจความสะใจความขมในใจของเราเห็นแล้วสงสารโทไม่น่าเลยอุตส่าห์ไปราดอยู่ต่างประเทศถูกปรับอีกมีไหม โอ้น่าสงสารมากเลยอุตสาไปโชว์ซิกแพคต่างประเทศแล้วถูกปรับโอ้น่าสงสารรู้ว่าเกิดความสงสารเกิดความกรุณาขึ้นในใจเห็นถังหล่นใส่หัวโอ้น่าสงสาร<อ>เกิดความโกลน่าขึ้นมาหมันไส้พวกนี้อยากดัง ร, รู้ความหมันไส้เกิดขึ้นมาเสียใจทําไมไม่มีใครท้าเราสักทีเข <c oughs> าเอ่ยชื่อคนนื้นคนนี้มันหมดแล้วไม่เอ่ยชื่อเราสักทีรออยู่ว่าจะทําคลิปสักทีนึงเลย จะทายคลิปลืมกดปุ่มไอ้คนเราลลาไปแล้วเป็นไงขอดูหน่อยลืมกดปุ่มโกรธเปียกฟรีอะไรเงี้ยให้รู้ทันโทรษัที่เกิดขึ้ น, นรู้สิ่งที่เกิดขึ้นในใจนสิ่งที่เกิดขึ้น ใ, นใจเหล่านี้คือดูว่ามันมีความสุขหรือความทุกข์มีความปรุงดีหรือปรุงร้ายสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจริงๆใน ใ, นใจซึ่งเรามักจะมองข้ามเพราะเราเนี่ย มีตาที่มองออกเราเนี่ยมีมีปกติคือมีตาที่มองออกแล้วก็เลยใช้ในการมองออกลืมมองย้อนมาว่ามีอะไรเกิดขึ้นในนี้ในใจนี้หรือในกายนี้เวลาเห็นกายก็เห็นกายคนอื่นง่ายจะเห็นกายตัวเองสักทีเนี่ยต้องอาศัยกระจกมองกระจกเนี่ยจิตก็ไปอยู่ที่กระจกนะใช่ไหมสังเกตไหมเวลาดูกระจกเนี่ยสองกระจกเนี่ยจิตมันอยู่2หน้าตัวเองนะ จิตมันอยู่ที่หน้าและจิตอยู่ที่กระจกนะเคยสังเกตไหมจิตก็ส่งอ่อนนะมองหน้าตัวเองทแท้ๆนะความรู้สึกเราเนะเหมือนว่ามองหน้าตัวเองอยู่เนอะแต่จิตไหลขึ้นในกระจกให้ดูอย่างนี้นะดูว่าจิตมันอยู่ตรงไหนในขณะที่มองกระจกในขณะที่ล้างหน้าจิตเป็นยังไงขณะที่ตื่นมาเอาตั้งแต่ตื่นเลยตื่นขึ้นมาจิตอยู่ที่ไหน <laughs> จิตคิดถึงเรื่องงานโอ้ วันนี้จะต้องทำงานรู้สึกท้อแท้อะไรเงี้ยโอ้วันนี้จะต้องไปฟังธรรมรู้สึกกระปี้กระเป๋ากระปี้กระเป๋าไหมต้องตื่นให้ให้ให้เช้ากว่า น, นี้จากที่เคยนอนกินบ้านกินเมืองตอนนี้นอนกินกระต๊อไปก่อนมาฟังแล้วโอ้ชั่วโมงกว่าแล้วมาหยุดอีกเบื่อ <c oughs> อะไรเงี <c> ้ย <oughs> <c oughs> รู้จักความเบื่อพยายามเทศลากๆให้มัน นานๆให้เบื่อๆมีความเบื่อบ้างไหม <laughs> มาดูอย่างนี้นะที่พระเจ้าท้าให้ดูคือมาดูสิ่งที่เกิดขึ้นในใจบ้างเกิดขึ้นในกายบ้างในกายในใจตัวเองด้วยไม่ใช่ในกายคนอื่นไปแอบดูก็ไม่ได้นะไม่ได้ดูในใจตัวเองใจคนอื่นก็ไปดูแล้วก็เพลินใจคนอื่นดูง่ายใจคนอื่นดูง่ายกิเลสคนอื่นดูง่ายคนอื่นกำลังโกรธอยู่เนี้ยดูง่ายแต่ขณะนี้เรากลาลังโกรธนะคนอื่นมาทักนะโกรธต่ออีก ไม่ไดโกรธตัวเองเก็โกรธไอ้คนนั้นมันไปไปว่าคนนั้นอีกมันยากนะที่จะย้อนมาดูตัวเองต้องโอปานาญิโกย้อนเข้ามาดูตัวเอฮิปัสซ e ิโกจงมาดูเถิดรับคำท้าไหมขอท้าส่งต่อคำท้านี้ให้กับทุกๆคนที่ได้ยิน <laughs> <laughs> ให้เวลาหนึ่งชาติ <laughs> จงทำตัวให้เป็นภาชนะทองคำรองรับพระธรรมให้ได้ในชาตินี้รับกวาท้านะใครไม่รับกวาท้าบ้างมีไหม <laughs> ในชาตินี้นะเอาให้ได้นะเทรนเทรนของพุทธศาสนาเนี่ยมีอยู่ไม่นานเกิดชาติใหม่เนี่ยไม่แน่ว่าจะอยู่ในที่ที่มีคำสอนอยู่หรือเปล่าเกิด <laughs> <laughs> ชาติใหม่เนี่ยนะไม่แน่ใจว่าเกิดมาแล้วจะอยู่ จะอยู่ที่ไหนและมีอุปกรณ์พร้อมพอที่จะฟังหรือเปล่ามันจะมีอุปกรณ์พร้อมพอเด้ยนะยังมีอุปกรณ์พร้อมพอจะมาศึกษาหรือเปล่าเกิดมาหูหนวกเนี่ยลำบากแล้วนะต้องมาทําท่าเจอพวกปลอมๆอีกแย่เลยนะตาบอดหูหนวกแต่กําเนิดเนี่ยลำบากละแต่ตาบอดหูหนวกมาระยะต่อมายังพอพอเรียนได้ ไปอยู่ในถิ่นที่เขาไม่ไม่สอนหรืออยู่ในครอบครัวที่เขาไม่เชื่อก็ลำบากกว่าจะโตมากว่าจะสวนกระแสในครอบครัวตัวเองได้เนี่ยลำบากเกิดมาชาไปแล้วไปเป็นเทวดาศาสนานกว่าจะกลับมาหมดแล้วาศาสนาก็ลำบากตอนเป็นเทวดาก็เพลินไปไหนก็เหาะไปอยากกินอะไรก็กินเสกเอาเพลินสบายลืมลืมเหลียวมาดูโลกว่าเขาไปถึงไหนแล้ว เขาบรรลุทำกันไปกี่หมื่น mm. กี่พันคนกันไปแล้วเงี้ยไม่ไม่เวอร์นะเป็นหมื่นเป็นพันนะเป็นหมื่นเป็นพันเป็นไปได้ใช่ไหมเราจะเป็นหมื่นเป็นพันหนึ่งในจํานวนนั้นหรือเปล่า mm. ถ้าเรารับคําทาพุทธเจ้านะแล้วก็ดูอยู่เรื่อยๆบ่อยๆเนี่ยนะยังเป็นไปได้ว่าเราจะอยู่ในจํานวนหมื่นจำนวนพันนั้นไม่ยาก mm. เพียงแต่ว่ามันนึกไม่คยถึงไม่ยากนะ มันนึกไม่ได้ถึงเพราะเรามีความเคยชินที่จะไปดูคนอื่นอ่านข่าวก็ไปดูว่าไอ้คนนี้มันเลวคนนี้มันชักไม่น่าไว้ใจล้วเนี่ยเด ด, ดูดูสิชักชักเหลืองแล้ชักไม่น่าไว้ใจชักมีโทรศัขึ้นมาไม่เดีดูโทรศัที่เกิดขึ้นใน ใ, นใจดูแต่ว่าไอ้นี่มันเลวไอ้นี่ชักดูขึ้นต้นเป็นลําไม้ไผ่ต่อไปจะเป็นบ้องกัญชาแล้วตอนนี้อะไรเงี้ยชักไม่ไว้ใจโทรศัพเกิดขึ้นให้รู้ทันตรงนี้เขาจะดีจะเลวก็เรื่อง เรื่องหนึ่งแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในใจของเราเนี่ยมีกิเลสเกิดขึ้นต้องรีบให้ดูให้รู้ให้ทันแล้วพอมีสติดูกิเลสทันแล้วได้สตินะเห็นกิเลสโลภโกรธหลงเกิดขึ้นแล้วมีสติดูจิตที่มันเคลื่อนไปไหลไปได้สมาธิได้สติได้สมาธิแล้วมาดูมันทำงานดูจิตมันทำงาน เห็นลักษณะของจิตที่มันทำงานเองมันเคลื่อนไปเองทำงานเองเห็นจิตมันเกิดดับไม่เที่ยงเห็นความบีบคั้นของของมันเองจิตเนี่ยจะถูกบีบคั้นให้เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอบีบคั้นไปตั้งใจให้อยู่นิ่งๆ น, นะจิตมันจะหิวอารมณ์ความหิวอารมณ์นั้นจะบีบคั้นตัวเองให้เปลี่ยนไปไปดูไปฟังไปลุกไปเดินความบีบคั้นตัวนี้ก็แสดงความจริงอยู่ถ้าเราไม่รู้ทันก็ ตามกิเลสไปอีกความพลาดของคนก็คือไปตั้งเป้าหมายผิดอย่างหนึ่งนะอีกอย่างหนึ่งหลงไปเพลินไปกับเรื่องของโลกตอนเพลินไปนั่นก็สุดตรงไปด้านหนึ่งเรียกว่าเพลินกับกิเลสการ ม, มาสุขขาริการุโยกเพลินไปในกามนักปฏิบัติก็จะมีอีกตัวหนึ่งเผลอคือเผลอบังคับเห็นว่าตัวเองเพลินไปในกามชักไม่ดี เห็นว่าความเพลินไปในกามใช้ไม่ได้สําหรับนักปฏิบัติเราลกคำท้า ม, มาแล้วบอกตัวเองว่าเราละคำท้า ม, มาแล้วโท่ไม่ได้เลยเผลอไปแล้วเมื่อกี้นี้มาโกรธตัวเองต่ออีกลืมว่ากลายเป็นเผลอสองแบบเผลอเพลินไปกับโลกกับเผลอบังคับตัวเองเผลอบังคับตัวเองมาจากที่ว่าตั้งเป้าหมายผิดคิดว่าจะต้องทําให้ใจนดีทําให้ใจนีิสงบทําให้ใจนี้เป็นสุขถาวรนสามอย่าง แท้จริงแล้วสามอย่างนี้ยังยังเป็นสิ่งสิ่งหนึ่งที่ยังต้องเปลี่ยนแปลงยังตกอยู่ในกระแสะแห่งไตรลักษณ์นี้อยู่ถ้าเรายึดเอาสามอย่างนี้เป็นที่พึ่งที่ระลึกนะเท่ากับยึดเอาสิ่งทนะี่ไม่เที่ยงเป็นที่พึ่งที่ระลึกแต่เราต้องการเห็นความจริงความจริงคือมันไม่เที่ยงเห <distraction> ็นไปเลยตรงๆมันจะเปลี่ยนแปลงไปเออใช่มันแสดงความจริงให้ เ, หเราเห็นแล้วเห็นความจริงว่ามันมันเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ ยอมรับความจริงว่ามันมันดับไปได้ไม่ใช่เพอมันเปลี่ยนแปลงแล้วเสียดายเสียดายมันเสียดายมันคือไปยึดติดมันแม้แต่ความดีถ้าเรายึดติดอันนั้นพอมันเปลี่ยนแปลงแล้วเสียดายทุกใจกับความดีที่เปลี่ยนแปลงทุกใจกับจิตใจดีๆเมื่อกี้นี้ที่เปลี่ยนแปลงทุกใจกับความสงบที่เมื่อกี้นี้สงบอยู่ตอนนี้ฟุ้งซ่าน แทนที่จะดูฟุ้งซ่านไปเลยไม่ยอมดูโมแต่อะไรอวรตอนอะไรอวบอก็คิดความคิดมันสิ่งตรงข้ามกับจิตรู้จิตที่คิดกับจิตรู้ตรงข้ามกันเท่านั้นถ้าโมแต่คิดอยู่รู้ตัวไปเลยพอรู้ตัวปุ๊บไอตอนรู้ตัวเนี่ยไม่ได้คิดเลยถ้าโมแต่คิดว่าทำไงจะรู้ยังไม่รู้ <laughs> พอสมควรหัหย ขอย้าอีกทีว่าขอท้าขอท้านะวิธีรับคําท้าคือไปดูตัวเองนะดูกายตัวเองดูใจตัวเองให้เวลาหนึ่งชาติไม่ต้องทําคลิปนะไม่ต้องทําคลิปมาแล้วส่งต่อคําท้านั้นต่อถ้าเห็นแล้วนะถ้าเห็นแล้วเนส่งต่อคําท้าไปด้วยส่งต่อคําท้าคือเอาสิ่งที่ตัวเองเห็นเอาสิ่งที่ตัวเองได้ประสบมาเนี่ย ไปบอกต่อคาสอนของพุทธเจ้าตกทอดมาถึงพวกเราได้เพราะว่ามีการบอกต่อรักษาคำสอนด้วยกายและใจของตัวเองเอาชีวิตของตัวเองเนี่ยรักษาคำสอนให้ได้รักษาคำสอนได้แล้วถ้าเราจะต้องตายไปส่งต่อไปอสักช่วงหนึ่งอีกสักรุ่นหนึ่งนะอย่าให้ศาสนานี้หมดไปกับรุ่นของเรานะยังมีสัตว์ที่ยังมีทุกข์รอคาสอนของพุทธเจ้าอยู่ คำสอนพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งอัศจรรย์ส่งต่อเป็นทอดทอดมาจนถึงพวกเราได้เราทุกข์ก็จริงแต่เรายังได้มีโอกาสได้ฟังวิธีการพ้นจากทุกข์คำสอนของพระพุทธเจ้าคือวิธีการพ้นจากทุกข์นั่นแหละตกทอดมาถึงพวกเราได้จากการบอกต่อมาเมื่อเราเห็นแล้วก็บอกต่อไปด้วยแต่ต้องเห็นแล้วนะต้องรับคำท้าได้รับการสดสงฆ์อ ม, อ ร, อมอริตอมริตธรรม อันนั้นแล้วนะแล้วบอกต่อหรืออย่างน้อยให้แม่นหลักนะใครมาปรึกษาอะไรก็ให้แม่นหลักอันไหนตอบไม่ได้โยนให้ครูบาอาจารย์โยมีทีโยง่ายๆไปฝั่งซีดีเอานะใครมีอะไรสงสัยจะถามอะไรไหมวันนี้ไม่มีอะไรเลยเนาะวันนี้เล่านิทานยาวมากเลยอาจารย์ดีหนึ่งคำถามนึครั บ, บาถามว่าศีลต้องมีเจตนาในการรักษาไหมครับ ต้องมีเจตนาอยู่เฉยๆถ้าไม่ผิดศีลยังยังไม่มีเจตนาเนี่ยนะเช่นนั่งเฉยๆยังไม่ได้ตบยุงตอนนี้ยังไม่มีใครตบยุงใช่ไถ้านั่งเฉยๆอย่างเงี้ยเหมือนไม่ได้ผิดศีลแต่ถ้าไม่ได้เจตนาว่าจะรักษาศีลไว้ก่อนเนี่ยนะมันก็เหมือนนั่งเฉยๆมันไม่มีเจตนาว่าฉันจะรักษาศีล ถ้าแม้นมีอะไรมารบกวนยั่วยุนให้ผิดศีลฉันจะไม่ผิดแต่ถ้านั่งเฉยๆยังไม่มีอะไรยั่วยุนมารบกวนเนี่ยนะมันก็คล้ายๆกันอยู่แต่พอมีอะไรยั่วยวนมาแปะไปเลยเนี่ยนะคนที่ไม่มีเจตนาเลยเนี่ยมันจะไม่มีการยับยั้งชั่งใจแต่ถ้ามีการเจตนาเอาไว้เนี่ยมันจะเป็นการเตือนตัวเองว่าวันนี้ฉันรับศีลมาแล้วฉันสมาทานไว้แล้วมันจะเป็นเครื่องเตือนใจแม้ไม่มีอะไรมายั่วเลย นะตอนที่เจตนาตั้งใจจะรักษาศีลตอนนั้นเป็นบุญแล้วแต่ถ้าไม่ได้เจตนาเลยมันนั้นก็เฉยๆเรื่อยๆไม่มีแต้มอะไรไม่บวกไม่ลบตายไปก็เจ อ, อยงบาลก่อน <c oughs> ทําอะไรดีบ้างนึกไม่ออกเพราะไม่เคยเจตนาอะไรเลย <c oughs> ไม่เคยเจตน า, นารักษาศีลแต่พอถ้าตายไปแล้วเจ อ, อยงบาลถามว่าทําดีอะไรบ้างสมาทานศีลเอาไว้ก่อนนอนตื่นนอนมายังรักสมาทานอยู่อะไรเงี้ยนะ ยังมีอะไรไปคุยกับยมาบานบ้างแต่ถ้าไม่มีเจตนาเลยหมดเรื่องคุยยมาบานก็จะตรวจสอบเอาเองยงมาบานเนี่ยมักจะมักจะสงสารนะจะพูดกระตุ้นให้ให้คนระลึกถึงบุญให้ได้มีเรื่องแปลกๆคนยังไม่ยอมเลิกสักทีนะ <laughs> มีเรื่องแปลกๆอยู่หนึง่ง พอดีนึกขึ้นได้เล่าซักนิดหนึ่งรถบัสคว่มคนตายในนั้นก็มีพระด้วยปรากฏว่าไปเจอโงมยบาลโงมยบาลก็ตรวจสอบแล้วให้พระอยู่เทวดาชั้นจาตุมคือชั้นแรกเลยชั้นต่ำให้คนขับรถบัสเนี่ย ไปอยู่ดาวดึงชั้นสูงกว่าพระก็โวยอาตมาบวชมาสามสิกว่าพรรษาทําไมบุญได้แค่ชั้นจาตุ่มคนขับรถบัสลดความตายอาตมาก็ตายด้วยทําไมเขาได้ไปอยู่ชั้นดาวดึงโรงยาบาลบอกว่าท่านบวชสามสิกว่าพรรษาเทศแต่ละครั้งคนหลับหมดทุกทีแต่ ไอ้คนขับรถบัสเนี่ยมันขับที่ไรนะคนตื่นภาวนาตลอดเอาที่ผลแต่นี่เป็นเรื่องเล่าตลกตลกนะไม่รู้จริงหรือปะญั้นเอาที่ผลวันนี้ท่านอาตมาเทศแล้วหลับหมดเลยเนี่ยอาตมาเสียแต้มไม่มีอะไรไปโชยมาบาลนะเสียท่าคนขับรถบัส น, นั้นฟังแล้วเอาผลนะคือ ต้องเอาไปไ ป, ปฏิบัติให้ได้ด้วยนะเหมือนอย่างคนขับรถบัสเขาขับที่ไรเนี่ยคนในรถบัสจะต้องภาวนาไม่ประมาทตุค้างไปอันนี้เป็นเรื่องเล่านะตลกตลกเฉยๆไม่ไม่รับรองว่าจริงนะเดี๋ยวคนจะมาย้ําว่าหนูใ จ, จําแล้วนะนี่เป็นข้อเสียของของการพูดแบบเอาหาเห็นไหมพอพูดจริงจังขึ้นมานะ คนชักไม่เชื่อถือนี่เป็นข้อเสียจริงๆนะถ้าคนพูดแบบไม่เอาไม่เอาหาไม่เล่นไม่มีการตลกขนองพูดจริงพูดคำไหนคำนั้นคำพูดของเขาจะศักดิ์สิทธิ์แต่ถ้าพูดแล้วมีอัมพูดแบบมีอัมนะพูดเอาหาพูดมีอัมพูดหลอกลวงแบบเอาสนุกแค่เอาสนุกแค่นี้นะคำพูดของเขาก็ไม่ศักดิ์สิทธิ์ล คนฟังแล้วจะตั้งคำถามว่าอันนี้เป็นมุกหรือเปล่าใช่ไหมจะถามว่าอันนี้เป็นมุกหรือเปล่าอันนี้เป็นเป็นแก๊กอะไรหรือเปล่าตอนนี้จะหลอกให้เราเสียหน้าอะไรอ hey, ีกหรือเปล่าประมาณนีนี่เป็นข้อเสียของการไม่ระวังรักษาคำพูดคำพูดที่ไม่ดี4อย่างจำได้ัหมโกหกพูดส่อเสียดพูดคำหยาพูดเพ้อเจ้อนพูดเพ้อเจ้อเนี่ย อ้กันเล่นๆเป็นเพ้อเจอ์แค่อั้กันเล่นๆทำให้วาจาเสียความศักดิ์สิทธิ์แค่นี้นะพูดอาตมาก็เพ้อเจอ์บ่อยเหมือนกัน <laughs> ทำให้คำพูดไม่ศักดิ์สิทธิ์อันนี้เป็นยกตัวอย่างตัวเองเลยนะยกตัวอย่างตัวเองเลยว่า <laughs> เวลาพูดอะไรเวลากลายเป็นมุกอั้เยนะคนฟังก็จะอาจจะขำ แต่พอพูดจริงจังอะไรขึ้นมาคนชัอันนี้มีเป็นมุกหรือเปล่านี่เป็นข้อเสียก็เอาไปเป็นอะไรเป็นตัวอย่างเป็นข้อคิดว่าถ้าเราต้องการที่จะให้ตัวเองมีคําพูดที่น่าเชื่อถือเว้น mm hmm. <When S 2> คําพูดสี่อย่างโกหกนี่ mm hmm. แน่นอนเลยว่าถ้าเราพูดข้อนี้เข้าไปนะไม่น่าเชื่อถือชัดๆเลยโกหก พูดส่อเสียดคือพูดให้เขาแตกแยกกันเนี่ยแม้แต่แม้แต่ตั้งใจดีคนเหมือนรู้ทันกันนียนะแล้วแต่พูดให้เขาแตกแยกกันคำพูดนั้นก็ไม่น่าฟังยิ่งไปป ร, ประกอบไปด้วยคำพูดแบบที่สคือคำพูดคํหยาบหยาบด่ากราดเหมือนดีนะเหมือนเหมือนคนนั้นเนี่ยรู้ทันความเลวของอื่นแต่ด่ากราด เสียเพื่อนเสียหมู่คณะเสียพักพักพวกเสียพวกพ้องคำพูดอะไรก็พอออกมาจากโครงคนนี้ก็ถูกระแวงถูกระวังว่าแล้วต่อไปเขาจะดา่าเราเราหรือเปล่าประมาณนี้คำพูดที่ว่าหยอกล้อล้อเลียนกันพูดอํากันเป็นคำพูดเพลเจอพอเพลเจอร์ไปแล้วเนี่ยก็มีข้อเสียตรงนี้ที่ว่า พอพูดจริงจังอะไรขึ้นมาคนก็จะตั้งแง่สงสัยว่าจริงหรือเปล่าแม้แต่โทษเล็กเล็น้อยๆเนี่ยนะก็ได้เห็นด้วยเห็นโทษเล็กๆน้อยเห็นกิเลสเล็กๆลน้อยเห็นความหงุดหงิดแม้เพียงเล็กน้อยหงุดหงิดเล็กน้อยเนี่ยยังไม่ถึงกับโทสะแค่ขัดใจแค่ขัดใจเช่นมองแสงที่มันย้อนแยงตาขึ้นมาเนี่ยรู้สึกไม่ชอบ ขัดใจเล็กน้อยก็รู้ทันความขัดใจเล็กน้อยมีเสียงดังมารบกวนมีการขัดใจเล็กน้อยรู้ทันความขัดใจเล็กน้อยนั้นยังไม่ทันโกรธยังบอกยังไม่ได้ว่าเป็นโทสะแต่มันขัดใจตรงนี้มีศับเรียกว่าปฏิฆะให้รู้ทันตรงนี้เรียกว่ารับคําท้าแล้วดูให้ละเอียดเลยดูแม้เล็กๆในน้อยไม่จะดูแค่แคขั้นหยับๆแต่ดูหยับหยบได้แล้วหยุดแค่หยับหยาบนะมันก็ไม่ไปต่อ ดูแม่ขั้นเล็กน้อยด้วยแต่จริงแม้หยากกับละเอียดก็แสดงไตรลักษณ์เหมือนกันนะถ้าดูแล้วเห็นไตรลักษณ์ใช่ได้แต่ถ้าดูแล้วยังไม่ขึ้นปัญญาให้ดูละเอียดไปเรื่อยๆมันจะมีสิ่งที่บ่งบอกว่าความเคลื่อนของจิตแม่นิดนึงก็เกิดขึ้นกิเลสแม้งเล็กน้อยยังบอกไม่ได้ว่าเป็นราคะมันชักมีความพอใจอันนั้นก็ใช่หละมันเป็นฝ่ายของราคะแล้วยังบอกไม่ได้ว่าเป็นโทสะยังไม่กรธเท่าไหร่หรอกแต่ว่า มันขุนใจนี่กเป็นปฏิฆะให้รู้ทันด้วยเอาเก็บรายละเอียดหมดเลยนะสิ่งที่เกิดขึ้นกับจิตเราเนี่ยมีอยู่ตลอดเวลาอ ย, อยู่ตลอดชีวิตนี่แหละถ้าเราเห็นทันมันเห็นครั้งหนึ่งก็ได้แต้มหนึ่งเห็นครั้งนีง้ได้แต้มหนึ่งจริงๆมันมากกว่าแต้มหนึ่งด้ยซ้ําไปนะถ้านับแต้มแล้วนะตอนเผลอเนี่ยขณะละแต้มขณะละแต้มนะแต่พอตอนเห็นเนี่ยนะมันมากกว่าแต้มเพราะว่าเห็นครั้งนึงเนี่ยจิตจะสลัดครั้งหนึ่ง แล้วไม่ต้องตามเห็นเท่ากับเวลาที่เผลอสมมติเผลอมาห้าชั่วโมงหรือเผลอมาตลอดสังสารวัตรเนี่ยนะไม่ต้องไปเจริญสติอีกสังสารวัตรหนึ่งเข้า <c oughs> ใจไหมสติเนี่ยสติสมาธิปัญญาเนี่ยนะเจริญไปแล้วเนี่ยไม่ต้องใช้เวลาเท่ากับความหลงที่เกิดขึ้นที่สะสมมาเพียง <c oughs> แค่ไม่เกินเจชาติแต่เจ็ดชาตินั้นต้องเริ่มจากชาตินี้ ต้องเดินชาตินี้นะเอาะมืแบ่งบุญให้กับหมู่ญาติของเราบุญที่การจากการให้ทานการรักษาศีลการเจริญภาวนาการฟังธรรมการแสดงธรรมการปฏิบัติธรรมทั้งหลายที่เราได้ร่วมกันทาในที่นี้ขอรวบรวมเอาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อบูชาแด่พระรัตนตรัยบูชาแด่พระพุทธเจ้าบูชาพระธรรมบูชาพระสงฆ์บูชาคุณครูบาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทธิสัดิชาทั้งหลายให้กับเราทั้งทางโลกและทางธรรมถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏให้ทั้งสองพระองค์มีพระชนมาายุยิ่งยืนนานทรงพระเกษมสําราญ เป็นร่มโพ ร, ร่มใสให้กับประสงนิกรชาวไทยยั่งยืนตลอดไปอุทิศให้กับผู้มีพระคุณของเราให้กับคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายญาติสนิทมิตาทั้งหลายทั้งในชาตินี้และอดีตชาติทุกๆชาติไปให้กับเจ้ากรรมนายเวรของเราที่เราเกิดได้เคยล่วงเกินขอให้ท่านเหล่านั้นจงมารับรู้ซึ่งบุญกุศล ที่เราทั้งหลายในที่นี้พร้อมใจอุทิศให้กับท่านให้เป็นเครื่องทดแทนความผิดพลาดลทั้งไปทั้งทางกายทางวาจาและทางใจที่ดุลงเกินท่านไปแล้วขอให้ท่านจงมีจิตสมนัตยินดีให้อภัยซึ่งกันและกันไม่จองเวรซึ่งกันและกันแต่แม้คนที่เคยผิดพลาดกับเราด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจอย่างไรก็ดีขอให้โอกาสนี้ เป็นการให้อภัยซึ่งกันและกันเราก็จะให้อภัยกับคนที่เคยล่วงเกินเราด้วยน้อมบุญกุศลอันนี้อุทิศให้กับเทพ ย, ยดาทั้งหลายที่ปกปักรักษาสถานที่แห่งนี้ปกปักรักษาพวกเราอยู่ด้วยและปกปักรักษาแผ่นดินนี้ให้เทวดาเหล่านั้นมีพละกาลังยิ่งยิ่งขึ้นไปมีบารมีแข็งแรงสมบูรณ์ยิ่งขึ้นเพื่อปกป้องบุคคลผู้ประพฤติธรรม เพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ในแผ่นดินนี้สืบทอดสู่รุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปอุทิศกับสรรัตว์ประทั้งหลายสัตว์ใดที่มีทุกข์อยู่ต้องการบุญจงมาอ น, นอนุโมทนาบุญที่พวกเราทั้งหลายได้ทํานี้และอุทิศให้กับท่านขอท่านจงมีความสุขมีความสุขใจดีใจปิติใจเหมือนได้ทําบุญกุศลนั่นนี้เอง เราทั้งหลายมีความดีใจปิติใจในบุญกุศลที่เราทำอย่างไรกอให้ท่านมีความดีใจอย่างนั้นปิติใจอย่างนั้นพ้นจากภพภูมิที่มีทุกข์ไปสู่ภพภูมิที่เป็นสุขสู่สุคติสืบไปเราทั้งหลายในที่นี้ก็จะตั้งใจที่จะพัฒนาตนเองอยู่ในคำสอนของพระพุทธองค์พัฒนาตนให้จเจริญในศีลในสมาธิในปัญญาให้ถึงความรู้ยิ่งเห็นจริงถึงความพ้นทุกข์ด้วยการทุกท่านทุกคน ขอให้ทั้งทั้งหลายทั้งเทวดาและสัพสัตทั้งหลายจงมีความสุขใจสบายใจไม่อากาศเบียดเปี่ย น, ยนซึ่งกันและกันนะตั้งใจอุทิศสุขสุนยถ า, าวริวาป ร, ปราปริโพเรนติสากรังห่วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุดสากรให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัรปฏิ ทานที่ทานอุทิตในแล้วในโลกนี้ยอมสาเร็จประโยชน์แกู่้ทีิละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิจฉิตังปฏิตังตุมหังกออิทธผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วขีปะเมวัสมิชตชัตุจงสาเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังกปาขอความดำริทั้งปวงจนเต็มที่จันโทปนรโสยาทา เหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีชโชติระโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยกวรยินดีสัพพิติโยวิวัติจันตุความจันไรทั้งปวงจมมราดไปสัพพโรควินัสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัดวันตรายโยอันตรายยามีแก่ท่านสุขีธีกายุโกภวะ ท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนาสิเิสนิจังวุธาปัจจายิโนจัตาโรธรรมวัฒน์ที่อายุวันโนสุขังพลังพรสีประการคืออายุวันนะสุขะพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหวกราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิดด้วยประการรัชนีแลเพระวัตุศัพท์พมังคลัง ขอสัรพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทาโสติภวันตุเต ขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมือ